เรื่องการนุ่งห่มอย่างคฤหัต ส, สมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักคีนุ่งผ้าอย่างคฤหัตคือนุ่งปล่อยชายเหมือนงวงช้างเหมือนหางปลาปล่อยชายสี่แฉกปล่อยชายคล้ายก้านตาลยกเกลีบตั้งร้อย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 เหมือนหางปลาปล่อยชายสี่แฉกปล่อยชายคล้ายก้านตาลยกกรีบตั้งร้อยรูปใดนุ่งต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีห่ผมผ้าอย่างคฤรืหัดคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่า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 ไม่พึงนุ่งผ้าโจงกระเบนรูปใดนุ่งต้องอาบัดทุกกฎ